بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين و ا ع د و ا ن إلا ا ل ظ ا ل م ي ن وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى متين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ب ن ا ي قوام ที่น้องเรานะครับได้บุตรชายชื่อ Abdullah Alim บ้าใช่ปะไม่ไม่มีข้อมูลแต่เจ้าภาพไม่มาน่าจะยังดูแลคุณแม่อยู่ก็ขอตอวให้มูฮัมหมัดแล้วก็มูฮัมหมัดนี่ก็คืออับอบูอัลฮลฮิมแล้วขอให้คุณแม่เขาได้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้ ลกูกเดเป็ น, ล, ล, น ล, ลูกศรเนี่ยตอนเราจนลูกหลานของพี่น้องมุสลิมทุกคนนะครับตอนเราจน ล, ลูกหลานของพี่น้องมนุษยชาติทั้งหลายได้เป็นคนคนดีของพระเจ้าสัปดาห์ที่แล้วในเรียนพูดถึงเนื้อหาคำสอนในกุตัานและฮัดี้ที่เกี่ยวกับเรื่องเวลาฉะนน้นเวลาสองชั่ ช่วงแรกก็คือชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ช่วงที่สองก็คือชีวิตของมนุษย์ในโลกหน้าซึ่งเวลามนุษย์จะบริหารเวลาของเขาโดยที่ไม่มีความหวังว่าจะมีชีวิตต่อไปอีกเนี่ยในอบายการวางแผนมันก็จะไปไปอย่าง แต่ถ้าชีวิตของเราในโลกนี้ยังมีความหวังว่าจะมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งในโลกหน้าซึ่งเป็นชีวิตที่นิรันดร์การวางแผนนี่มันก็จะไปอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นความตายสําหรับมุสลิมเนี่ยมันจะไม่ถือว่าเป็นวันสิ้นสุดชีวิตอาจจะเป็น วันเริ่มต้นชีวิตที่แท้จริงต่างหกากแน่นอนว่าเชื่ออยู่แล้วว่าชีวิตนี้มันเป็นชีวิตที่ชั่วข้าวเจ็ดสิบแปดสิบปีร้อยปีเทียบแล้วกับชีวิตที่นิรันดิ์มันเทียบไม่ได้แต่แน่นอนว่าปัญญาของเราเนี่ยถูกตั้งค่าถูกตั้งค่า ให้สัมผัสและให้คะแนนความสำคัญกับสิ่งที่เราสัมผัสได้ว่านั้นน่ะคือคือชีวิตที่แท้จริงความตายในวิสัยของมนุษย์ส่วนมากเนี่ยก็ะจะเป็นวันยกเลิกทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตที่แท้จริง แต่ในมุมมองของผู้ศรัทธาอย่างเช่นอุสลิมจะรับฟังในเรื่อกว่ามันมาตก้มั ا م ت ق ي ม م ตัคนที่ตายแล้วเนี่ยถือว่าได้เริ่มละเกียร์มากของเขาหมายถึงว่าเริ่มชีวิตชีวิตของโลกหน้าโลกหน้านี่เริ่มละชีวิตใหม่ทํำยังไงเี่ยถ้าเรายังไม่เคยไปที่ว่าเราเราเราที่มีชีวิตตอนนี้นะที่พูดคุยกันตอนนี้นะ ที่คุยกันตอนนี้เรายังไม่มีประสบการณ์ที่จะไปสัมผัสกับชีวิตของโลกหน้าหลังความตายเนี่ยแม้แต่น้อยเราจะให้คะแนนความสําคัญกับชีวิตเหล่านั้นยังไงแม้กระทั่งคนที่เคยไปสัมผัสแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะกลับมาบอกกับเราบอกกับว่าโอ้ฉันฉันไปแล้วนะไปในกูโบแล้วนะฉันจอของจริงนะโว้ยอะไร ไม่เคยพบแบบนั้นยังแพร่หลายอาจจะมีบางคนนะบางคนได้ได้ฝันถึงคนตายแล้วแล้วคนตายในโ้ยจริงเรื่องจริงนะเว้ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะทุกคนต้องจะต้องประสบมันก็เหลือแหล่งข้อมูลเดียว ดัต้ข้อมูลที่จะทําให้เราให้ความสําคัญกับชีวิตของโลกหน้าก็คือแหล่งความศรัท ธ, ธาทั้งหลายที่พระเจ้าได้บอกกับพวกเราว่าในโลกหน้านี่ก็มีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งในอีกมิติหนึงรายละเอียดรายละเอียดและขั้นตอนของชีวิตเนี่ยในคําสั่งสอนนี่ก็มีอย่างละเอียดมาก โดยที่ไม่มีใครรือไม่มีล ะ, ละทิไม่มีนักคิดไม่มีนักวิเคราะห์แม้กระทั่งพวกนักจินตนาการนิมจะไม่สามารถออกแบบชีวิตหลังความตายเท่าที่เราได้พบในคำสั่งสอนของอิสลาม <c oughs> ทั้งจะเริ่มวิญญาณได้ออกจากร่างของเราจนกระทั่งคนได้ผ่านขั้นตอนของวันเกียรมจนถึงเข้าสวรรค์หรือเข้านรก สวัสดีมีอะไรในโกมีอะไรทั้งหมดจะผ่านพ้นอะไรในวันเกิวัานี่นี่ละเอียดหมดและนี่คือช่วงเวลาที่ค่อนข้างคนส่วนมากนี่ไม่ให้ความสำคัญคนส่วนมากจะให้ความสำคัญกับเวลาเวลาที่เราสัมผั์ได้คนส่วนมากก็จะสั่งเสียกันว่าเจ้ามีมีความสามารถในการครอบครองเวลา เวลาของปัจจุบันก็ใช้ใช้ปัจจุบันให้คุ้มค่ามันก็เป็นความคิดหรือเป็นคำสั่งสอนคำสั่งเสียที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ผิดแต่ถ้ามีมิติ <c oughs> ของโลกหน้าเนี่ยการบริหารเวลาที่เราครอบครองอยู่คือปัจจุบันเพราะอดีตนี่มันพ้นไปแล้วอนาคตยังไม่รู้จะเป็นยังไงเราครอบครองเฉพาะเวลาปัจจุบัน ถ้ามันมีวิมิติของโลกหน้าเนี่ยมันจะทำให้การดำรงเวลาปัจจุบันเนี่ยสอดคล้องกับคำสั่งสอนและคุ้มค่าตามข้อมูลที่มีอยู่ในคำสั่งสอนเอา่าเช่นคนมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งคนมีเงินอยู่แสนหนึ่งเอาเลยเอาให้มีความสุขเต็มที่เลย ปัจจุบันในตัวเองกำลังครอบครองเวลานี่นะทำอะไรก็ได้ที่ให้ท่านมีความสุขกับอีกคนหนึ่งจะถูกสั่งสอนว่าเอาให้เต็มที่เลยนะเนี่งเงินอยู่ก้อนหนึ่งเนละแสนหนึ่งนะแต่อย่าลืมนะว่าความสุขชั่วคราวที่เราจะได้ในโลกนี้เนี่ยเทียบไม่ได้กับความสุขที่เราจะได้ในโลกหน้าถ้าเราบริหารหนึ่งแสนเนี่ยให้สอดคล้องกับคาสั่งสอน อย่างที่เห็นกันนะครับถูกหวยมาแสนหนึ่งข้ามคืนเดียวนะเช้าตูวนี้ไม่เหลือแล้วแต่สำหรับคนที่มองว่าโลกหน้านี่มีจริงความตายนี่มีจริงสวรรค์นรกนี่มีจริงโอ้แน่นอนการบริหารเวลาแม้กระทั่งมุสลิมที่ถูกหวยนะยังคิดจะเอาไปทำาุสุราอีกนี่น กูหวยทันะีแล้วนะเออนี่อันนี้โดนนี่เก็บไว้ทําสุราทําบุญที่สุเราวนะแสดงเ ข, เขาก็อยากได้บุญเหมือนกันนะแต่เขาอาจจะไม่เข้าใจไงนะว่าไม่ได้นะแบบนี้คําสั่งสอนนี่มันไม่ครบถ้วนไงความดีถ้าเราจะทำนี่มันก็ต้องใช้เงินบริสุทธิ์เงินดีไม่ใช่ไม่ใช่เงินเนา่าเนี่ยอายะที่ผ่านไปแล้วเนี่ย ได้พูดถึงเรื่องการขนขายของแต่ละคนที่จะรับการตอบแทนฮัตูจิเุนอิลลาวิมะกุนตุจากซีบูลพวกท่านจะไม่ถูกตอบแทนเว้นแต่สิ่งที่พวกท่านขนขายไว้เท่านั้นข่าวเนี้ยว่าการตอบแทนมีแน่นอนนะนะมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในการเทศนาของท่านนบดลลอสลลัลลอฮอะลัยฮิวซัลลัม ที่ชาวอาหรับเนี่ยไม่เคยพบเนื้อหานี้มาเป็นพันพันปีชาวอาหรับนี่เขาไม่ได้คุกคีกับกับคำสั่งสอนในคัมภีร์ศาสนาอื่นนะเพราะข่าวสมุดอาหรับนี่ค่อนข้างตอนนั้นน่ะค่อนข้างเป็นสังคมปิดแล้วเขาเชื่อว่าเขามีศาสนาดั้งเดิมของเขาเนี่ยของท่านนบีบรูฮิมอัลฮานีฟียเนี่ยเขาก็โอเคของเขา แต่ศาสนาเนาบีบรหฮินี่มันถูกทาลายถูกบิดเบือนจนจางศาสนารายละเอียดนี่มันจางไปหมดมไม่มีเรื่องวันเกียร ม, มากเรื่องอะไรนี่มันถูกลืมไปหมดถ้าสมมติฐานของนักวิเคราะห์ว่าหลายศาสนาในโลกนี้เนี่ยอาจเคยเป็นศาสนาแห่งฝากฟ้า ก, ก็ได้และถูกบิดเบือนจนไม่เหลือสัมผัสได้ จากเรื่องบางเรื่องในแต่ละศาสนาเนี่ยมันมีเนื้อหาที่คล้ายๆศาสนาแห่งฝากฝากอย่างเช่นศาสนาบางศาสนานี่มีมีหมดละปรโลกก็มีสวรรค์ก็มีนรกก็มีแต่เวลาไปดูรายละเอียดมันมันคนละอย่างกันชาติหน้าเนี่ยเวลาเวลาตีความมันก็อาจจะหมายถึงปรโลกวันเกียร์มั้งชีวิต ในโลกหน้าก็ได้แต่มันถูกบิดเบือนเป็นไปได้ขนาดเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระเจ้าถูกบิดเบือนอย่างสิ้นเชิงจ า, จากพระเจ้าผู้ทรงเอกะพระเจ้าองค์เดียวนะถูกบิดเบือนมาม้แต่ละศาสนาบิดเบือนอย่างสิ้นเชิงยังได้เลยแล้ะรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวกับพระเจ้านะ่ะจะไม่ถูกบิดเบือนได้ไงพรนบะีเ ม, มอบอกว่า วันประโลโลกเนี่ยจะถูกตอบแทนนะตามที่พวกเจ้านี่ขนขวายนะี่ยมันไม่ใช่มีแค่โลกนี้นะและที่ตายไปแล้วเนี่ยไปฝังแล้วก็สลายไปในะดินนี่เนะี่ยไม่ใช่สิ้นสุดแลนน้วนะมันมีคืนฟื้นชีพเป็นเรื่องใหญ่เป็นข่าวใหญ่เขาก็เลยต้องสอบถามศึกษารายละเอียดนี้กับท่านนบีอาจจะศึกษาด้วยความสนใจก็ได้ หรือาจจะสอบถามท่านนบีด้วยความเยอะๆกันจริงๆเหรอตายแล้วจะฟื้นคืนจริงๆนหรอด้วยความไม่คอร์รัทําเป็นเรื่องตลกแต่เป็นเรื่องตลกที่น่าสนใจเอามาจากไหนเนีว่าเขาสนใจเพราะอัลลอฮฺบอกถ้าอัลลอบอกนี่แสดงว่าข้อที่จริงเนี่ยว่าเขาให้ความสําคัญอัลลอฮฺบอกว่าอิศร์บิอูนกะอะฮักกุนหอุลีวรบบิอินนหูละฮักโวมาอันตุบิมูอ์จี เราใช้กรียาคำว่าเอสตัมบิอูไดกัแล้วพวกเขาจะสอบถามเจ้าว่าการลงโทษเนี่ยการตอบแทนเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือใช้คำว่าเอตัมบิอูนะครับจะสอบถามถึงนาบะนาบะนี่แปลว่าข่าวใหญ่เหมือนสุรัตอัมมะจุสอัมมะ ع ัมมัยท ساء ลุนขาถ้าถามถึงเรื่องอะไรหรืออานนบอี๋ عظ ิมถามถึงข่าวที่ยิ่งใหญ่ข่าวใหญ่สิครับข่าวใหญ่มากเลยเพราะแค่ในสังคมมนุษย์เนี่ยได้ข่าวยะนาซว่าคนนู้นตายสำหรับบางคนนี่นะถ้าเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมกับข่าวใหญ่ไหมข่าวใหญ่สิ มีแค่ความตายของคนคนหนึ่งอะนะแล้วจะเป็นเราล่ะที่ตายนะแล้วมาฟื้นคืนชีพนะแล้วก็มาเจออะไรตัวมีอะไรในวันเกมมันจะไม่เป็นข่าวตามที่นบีบอกนะตามที่โมฮัมมัดในบอกนะี่จะไม่เป็นข่าวอย่างขาวข่า ว, าวน่าสนใจมากดิขายิ่งนี่จริงๆอัลลอี่ฮุมฟีมุขเตลฟูนที่ขาขัดยังกันขัดยังกันหมายถึงว่าชาวมักกะนี่บางคนก็เหมือนกํากึงจะเชื่อนะ ถ้าจะเชื่อนะแต่บางคนว่าเป็นี้ไม่ได้รูกให้ยืนดูคุณณคุณถ้ามิตตุมว่าคุณดราบและดามันอคุณไม่บริสุทมุฮัมมัดนี่สัญญากับพวกเจ้าถ้าพวกเจ้านี่ตายแล้วกลายเป็นดินแล้วแล้วพวกเจ้าจะถูกฟื้นคืนชีพอีกกระนั้นหรือมันเป็นไปได้อ่ะเนี่ยนี่บางคนนี่ไม่ไม่กล้าเชื่อไม่อยากจะเชื่อแต่บางคนเนี่ยเก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้ แล้วถ้าบางคนเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่จริงอะสิ่งที่มีความเป็นไปได้สูง อ, งอาจจะเกิดขึ้นจริงอะเขาจะมาถามท่านนบีอวยสตมบิอูนกะการที่ให้คะแนนความมีใหญ่ของข่าวเนี่ยไม่ใช่เขานะคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้คะแนนระดับคําถามของเขาเนี่ยคาถามถึงข่าวใหญ่จึงใช้กริยาว่ายสตัมบิอูนักะ ซึ so, say, ่งในคุรานี้ม as ีหลายกริยากริยาชนิดอนะครพวกเขาจะพวกเขาจะถามจะถามคาถามธรรมดาแต่ถ้าเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องใหญ่นะยาสตมบิอูนะัมันมันเกี่ยวกับเรื่องใหญ่อัมมาเซาลูเขาถามถึงอะไรหรืออันนนบอิลาฮีถึงเรื่องใหญ่อะฮักกุฮูที่ผ่านไปแล้วนี่ตะกี้เนี่ย อาจาบัลคุดการลงโทษอันจีรังที่จะเกิดขึ้นในวันปรโลกมันเป็นเรื่องใหญ่การตอบแทนตามทีตม่ตามสิ่งที่เราได้ขวนขวายคือแค่พูดแบบนี้เนี่ยนะสำหรับชาวมการนี่ถือว่าถือว่าเป็นการปฏิวัติชีวิตเลยนะหมายถึงว่าวันเกมันไม่จบแค่นี้นะ วันเกียมานี่ทำอะไรดีไว้เนี่ยจะ ถ, ถูกตอบแทนดีแต่ทำอะไรชั่วมันก็จะแย่ไงนั่นหมายรว่ามุฮัมมัดกลังบอกว่าชีวิตของเราเนี่มีดอกเบีย้ยมีชีริกมีโสเพณีมีอะไรต่อมีอะไรอันนี้ทั้งหมดนี่ต้องยกเลิกเพราะถ้ามีมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งที่เราจะถูกตอบแทนตามสิ่งที่เราขวนขวายนี่นะและเราต้องการมีความสบายสุขสบายใน ปรโลกเนี o, ad, ad. Ani, aji, ่ยแสดงว่าชีวิตนี้เนี่ยเราต้องปฏิรูปหมดต้องเปลี่ยนหมดีหกว่าถ้าชาวมาก่านเนี่ยเขาเข้าใจอิสลามเหมือนคนในปัจจุบันนั่นนะเขาคงรับอิสลามง่ายๆนะเพราะมูฮัมหมัดนี่มูฮัมหมัดบอกว่าให้กลูละอิลจงกล่าวละอิละฮะอิลล allah t o f เอะนี่นะอามุฮัมมัดต้องการแค่นี้จะมาให้กล่าวละอิละฮะอิลล allah จบและจบนะ ถ้ามันแค่นี้นะนะอย่างที่คนบางคนเนะี่ยคิดทำทุกอย่างเลยทุกอย่างบาปใหญ่บาปเล็กบาปกลางทำหมดเลยเอาแล้วก็เหลืออะไรเอาผมยังมีอะไรอีกล่ะหล่อนี่ไงผมมีอะไรอีกล่ะหล่อโอ้ยถ้าแบบนี้นะชาวมัคกะกะท่านนาบีเนะี่ยคงไม่คงคงไม่ต้องเรื่องเยอะแบบนี้มันง่ายเหลือเกินนะ เอาเลยเลยแล้วเราไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องเลิกอะไรเลยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องปฏิรูปชีวิตไม่ต้องชีวิตไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกเดือดร้อนอะไรเลยอยู่กันอย่างเงี้ยอยาว่าชาวมักานะอยาว่าชาวมักานะทุกวันนี้น่ะคนที่มาศึกษาเรียนรู้อิสลามนะศึกษาแบบบริสุทธิ์ใจแม้กระทั่งพวกฝรั่งแม้กระทั่งบ้านเรา มาศึกษาเรีรู้อิสลามอะนะกลวเนะี่ยไม่กล้าจะรับอิสลามผมเจอหลายคนนะครับผมยังไม่พร้อมทําไมอะโอ้ผมยังยังกินเหล้าอยู่ผมยังผมยังซื้อหวยเลยอาจารผมจะเลิกนี่ทั้งหมดนี่ผมยังเลิกไม่ได้แล้วเาขเขาจะขเขาก็จะถูก สิ่งที่เขาเข้าใจนี่ก็หมายถึงว่าถ้าเขากา ال ال ล่าวแล้วอิละอิลอหามายถึงว่าชีวิตพวกนี้มันทุกเปลี่ยนหมดเลยและนี่คือคนที่เขาศึกษาอิสลามอย่างบริสุทธิ์แล้วก็อย่างมุสลิมดําเดิมนี่ที่เขาศึกษาเสร็จใช่เราศึกษาคนที่เข้าใจว่ามี ال ال อิละอิลอโดยไม่ต้องทาไม่ต้องมีภาระอะไรเลยนะนี่คือคนที่ศึกษาหรือเข้าใจอิสลามแบบไม่บริสุทธิ์ไม่จริงใจกับอัลลอฮ์ไม่ตรงไปตรงมากับอัลลอ ประดังก็เหมือนกรู้ในว่าจะรับอิสลามนี่ต้องทําอะไรคนที่เขาลังเลในเมก้ารับอิสลามเพราะต้องเลิกเลา่าต้องเลิกหนุนต้องเลิกนี่เยอะนะคนที่รับอิสลามนี่เพราะอะไรเพราะเขาได้เห็นมรารยาทของมุสลิมในคุกแม้กระทั้งนักโทษที่เป็นมุสลิมเนะี่ยเขายัางมีมรารยาทที่แตกต่างกันเลยสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลง ชีวิตเนี่ยพราะเขาเห็นไงว่าอิสลามนี่มีอิทธิพลในการเป็นคนนี้เนี่ยเคยเป็นหัวหน้ามาเฟียเปลี่ยนเปลี่ยนได้ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยถ้ามันถ้ามันไม่ได้รับอิสลามเนี่ยคงไม่เปลี่ยนแสดงว่าอิสลามจะสามารถให้ฉันได้เลิกยาเพระต่อกนุ้ติดยาติดยาติดแล้วเลิกยาติดยาต่อกรณนุ้นเขารุ่งไงแล้วร่วงนี่เพราะอะไรเพราะเรื่องสิ่งเสพติดนี่แหละอิสลามทําให้ฉันเนี่ยเปลี่ยนเป่นงี้ได้นีสาเหต การที่รู้ว่ามีวันเกียร์มะจึงเป็นเรื่องใหญ่สาหรับทุกคนที่ตั้งค่าชีวิตว่ามีแค่นี้มีแค่นี้กูไม่ไปไหนแล้วนะ อ, ยอยู่แค่นี้อยู่ในโลกนี้ฉะนั้นสวยโอกาสมีโอกาสได้มีความสุขเอาให้เต็มที่เขาจึงจึงถามท่านนา บ, บีอะฮักปนหุการลงททษเนี่ย ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจริงหรือคําถามนี้อาจจะเป็นคําถามที่มีความจริงใจก็ได้เน่นจะกว่าชาวมุ ก, ก้านี่ที่ไม่ไม่รับอิสลามที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยไม่ใี่ระดับเดียวกันเหมือนคนในโลกนี้เนี่ยที่มีท่าทีต่ออิสลามเนี่เขามไม่ใช่ระดับเดียวกัน ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่มุสลิมสแสดงว่าเขาเป็นปฏิบัติกับอิสลามปฏิเสธอิสลามไปเรียงสิ้นเชิงนะไม่ใช่คนเนี่ยทุกคนเนี่ยเขามีสมองไม่เหมือนกันมีจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่เท่ากันอาจจะมีบางคนนะ่ะที่เขาคือเชื่อคือเขาเห็นนะ่ะท่านนาบีตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนโตมีเคยโกหกสักครั้งหนึ่งสักครั้งเดียว คนที่ใช้ชีวิตกับท่านนบีสามารถจดจําได้นี่ประวัติของท่านนบีอย่างละเอียดยิบเลยแล้วไม่ไม่ไม่รับอิสลามเนี่ยถ้าเขาอยากจะโจมตีท่านในมหามันแล้วก็มีอะไรมีแผนของท่านในมหามันสักแผนหนึ่งอะนะคงเอามาแฉเลยสิแต่มันไม่มีสักครั้งหนึ่งอะนะพี่โกหกไม่มีสักครั้งหนึ่งและจะมาที่จะมาโกหกนี่จะโกหกคําโตโกหกใหญ่โตกับพระเจ้าเลยเหรอเขายังยังยังแข็งใจมันเป็นไปไม่ได้อ่ะ เขาอาจจะมีความรู้สึ ก, กว่าเป็นไปได้ว่าที่ว่าหามารุนี่มันอาจจะเป็นสัจธรรมจรึงถามด้วยความบริสุทธิ์ใจอะฮักโกนฮุจริงหรือเหมือนเพื่อนเราในบางทีเพื่อนสนิทเพื่อนซีเลยซีกันมากเชื่อใจกันแบบสุดๆแล้วเราพูดเรื่องหนึ่งเรื่องแปลกเลยคาแรกเลยที่เพื่อนจะถามถามยังไงจริงเหรอจริงเหรอ ภ <laughs> าษาภาษาแบบภาษาเพื่อนจริงเหรอมัน แ, แปกลกๆหนยจริงเหรอเป็นไปได้ว่มีคนที่มาถามในเรือะฮักุนอะฮักปนหูจริงเหรอเรื่องจริงเหรอที่จริงแล้วโดยบริบทเนี่ยเรื่องระดับสัจธรรมในระดับหลักสรัทธาเนี่เราจะถามว่าจริงเหรอสําหรับมุสลิมมานั่นนะมันถามไม่ได้แล้วเนี่ยหมายถึงว่าตอนเนี้ย แต่ผมบอ ก, กับพี่น้องวันหนึ่งเราต้องตายคงไม่มีใครเช็คจริงหรอมีเสววันมีนรจริงเปล่จริงหรอมาถามสําหรับมุสลิมที่ศรัทธาแล้วนาถามแบบนี้ไม่ได้แต่อันนี้อันนี้คือเขายังไม่ได้ศรัทธาใช่ไหมแบบนี้เนี่ยถามแบบเนี้ยอาจจะมีความจริงใจระดับหนึ่งในคําถามก็ได้หรืออาจจะเป็นคําถามที่เยอะเย้ยก็ได้ ไม่สามารถคือในกุอ่านก็ไม่ได้บอกนะว่าคนที่ถามเนี่ยอิมันเขาระดับไหนแต่เรากำลังเล่าสถานการณ์คนที่เป็นฝ่ายรับข้อมูลมีปฏิกิริยาแบบนี้นะนบีเคยบอกเขาว่าเรื่องวนเกียรมะมีการตอบแทนนะเขาก็เลยถามว่าข่าวนี้มันจริงหรือแต่การที่อลัลลอฮฺสนอง ตอบเขาเนี่ยแสดงว่าคําถามของเขาเนี่ยมันอาจจะมีความจริงใจระดับหนึ่งมิฉะนั้นอัลลอฮ์จะไม่ให้ราคาเลยถ้าเป็นคําถามคนเยอะๆคนที่ไม่เอาไหนคนที่แบบว่าอยากจะเล่นนะถามเล่นอะไรเงี้ยอัลลอฮ์ไม่ให้รากาหรอกแต่นี่อัลลอฮ์บอกให้ท่านนาบีกลตอบตอตอคนเราในเวลาคนมาถามอะไรไม่เข้าท่านนะคนนี้ไม่อยาก ไม่อยากเปิืองน้ำลายไม่อยากเปลืองเสียงไม่อยากเสียเวลาไม่ตอบเลยใช่ไหมหรือบางทีตอบแบบกวนๆน่ะกูไม่ตอบเจ็บคอแต่ถ้าตอบล่ะตอบนี่แสดงว่าคำถามของเขาอย่างน้อยนี่นะต้องให้เกียรติเขากุลอีหนึ่งนะให้ตอบกุลมให้ตอบตอบต้องตอบเขานะแล้วไม่ตอบธรรมดาดินะอีวารบีแน่นอนทีเดียว อีอีนี่มีใช่คำว่าอีแปลว่าใช่ภาษาอังกฤษนี่นะอีหรือไอแปลว่าหน้าอ่ำน้าแปลว่าใช่อันเดียวกันเหมือนกันอืมอีแล้วก็ไอไอน้าอ่ำแล้วก็มีคํานึคนส่วนมากที่เรียนภาษาอับนีษไม่รู้ต้องเรียนระดับนู่นอัลฟี่อัลฟีเอ็มเนมาริคหรือนังสือคล้ายๆน้าอ่ำนี่นะนี่ลองเอาไปใช้กับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ เดี๋ยวเขาจะทึ่งใจริใจริจอจานบรรยกาศยอยักรอเรียอิใจริใจรีคล้ายๆนามคล้ายๆอีคล้ายๆไออีอีอนี่นีไม่ใช่อีไม่ใช่อีฝรั่งนะอีแน่นอนทีเดียววอรบบี ขอสาบานต่อพระเจ้าของฉันคือถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดที่ให้นบีตอบแล้วนำคํายืนยันด้วยสาบานด้วยพระนามอ ah, ัลลอ์นี่แสดงว่าอัลลอฮ์ใส่ใจที่จะให้คาตอบเขาแล้วปรากฏว่าคาถามนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยอครั้งและอัลลอฮ์ให้ท่านนบีตอบแบบนี้นี่ยตอบแบบยืนยันและก็สาบานด้วย ในสุรัตสบะอัน uh, นั uh, ้นว่าแล้วที่นักฟังไม่มาไม่มีคุณโอ้โมฮัมหมัดจงกล่าวบลาวอัลลอฮฺบีละตะเตียนนะคุ م ไม่ใช่เลยวันเกี่ยมัจะมาอย่างแน่นอนขอสาบานด้วยองค์พระผู้เป็นฉันาสุรัตอัลตัชกาบุนซามันที่นักฟังอัลลัยบ ا ฮุ ผู้ปฏิสตานนี้อ้างว่าเขาจะไม่ถูกฟื้นคืนชีพอุลเบลวารบีโอูมฮัมัดจงตอบว่าไม่ใช่เลยละตุบาฮุนน่ะพวกเจ้าจะต้องถูกฟื้นคืนชีพซุมมาละตุนับอุนนบิมหามิลตุมและจะถูกแจ้งข่าวเกี่ยวกับการงานของพวกเจ้าที่ได้สะสมไว้ทั้งหมดไว้ในลิกาอัลลอฮิยาซีดละนั่นเป็นเรื่องที่ง่ายได้สำหรับพระเจ้าสําหรับข้อสาบานอีวารบี แต่ละครั้งนี่นายเยันย็นในเรื่องฟื้นคืนชีพอันนี้ก็ตอบคำถามกับเขาให้รู้สึกว่าคำถามของพวกเจ้าความเข้าใจของพวกเจ้านี่นะเลาตอบให้ในว่าจริงเกิดขึ้นจริงและสาบานด้วยพระเจ้าชาวมากะเนี่ยเวลาเขาขัดแย้งกันและเจ้าอะไรมายืนยันน่ะเขาสาบานหมดเลย พตอนโนเรื่องชิร so All ิกในเรื่องง่ายนะชิริกในเรื่องสาบานนี่ก็มีสาบานด้วยเจวิตวัลเลติวัลอซะคมันมีชื่อเจวิตนี่ลอซะจะสาบานวัลเลติวัลอซะอ้าวแล้วทำไมเช็คสาบานละฮกิลกุฟรีไรซาบิคาฟินคนที่เล่าเรื่องกุฟรนี่ไม่ถือว่ากาเฟรนี่ตะกีีว่าเขาบอกว่าวัลลติวัลอซนี อันนี้มันคำสาบานด้วยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมเล่าการเล่าเรื่องกูฟอร์นี่ไม่ใช่กูฟอร์นะอันนี้ต้องที่แจงดูมือตัดต่อเยอะในะช่วงนี้ที่ตัดคำเนี้ยวันละเห็นไม่นี่คือชาวมักกะเนี่เขาสาบานด้วยทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันยิ่งใหญ่ยิ่ ง, งจเจวิดของเขานี่สาบานหมดเพราะฉะนั้นนบีเนี่ยพอมาสอนการเคารพ สักการะต่ออัลลอฮ์นี่การที่จะให้สาบานด้วยพระนอัลลอฮ์เท่านั้นสาบานด้วยสิ่งอื่นนี่ไม่ได้แล้วมันจะไม่แสดงถึงการเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ชาวมั้กา น, นีนะเวลาเขาสาบานดูวยพรนาอัลลอฮ์ะ่ า, า, า, Allah, า, าะแต่ว่ามาเรื่องจริงจังเรื่องเรื่อ ง, องที่ต้องสาบานเอาจริงเอา จ, งอาจังนะเขาจะไม่สาบานด้วยเจวิตแล้วะเขาจะสาบานด้วยพระนามอัลลอฮ์ เขาไความสำนึกของชาวมัค ก, การี่เขารู้ว่าอัลลอฮ์นี่คือผู้สร้างคือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแต่เขาปิดเพี้ยนในเรื่องอะไรอ๋อพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่มีภาคีก็ได้นะแบ่งการเคารพสักการะไอเจวิดนู่นให้จเจวิดนี่เนี่ยเยปัญหาของเขานี่คือชีริกเขาไม่ได้ปฏิเสธพระเจ้าอย่างอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นการที่ท่นานนบีมุฮัมมัดสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์เนี่ย โดยธรรมเนียมของอาหรับทั่วไปอะนะถือว่าเป็นการยืนยันที่มีค่าเหมือนกันอุลอีวร์ บ, บีอ้มฮัมมัดจงตอบว่าการลงโทษจะเกิดขึ้นจริงแน่นอนทีเดียวขอสาบานต่อพระเจ้าของฉันอินนหูละฮักกุแท้จริงมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ว่าันตุวีมติซีและพวกท่านไม่สามารถรอดไปได้ต่อยอดความจริงที่จะเกิดขึ้นในวันเกียรมก็คือความความลำบากความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นในวันเกียรมาโดยเฉพาะกับกับคนที่ได้ขนขวายแต่ความชั่วความเลวร้ายและจะต้องไปพบกับความการตอบแทนของความเลวร้ายที่ตัวเองได้ ได้สะสมไว้เมื่อได้ปรากฏแล้วความจริงที่เขาถามถึงเนี่ยความจริงที่เขาเคยสงสัยแต่มันปรากฏแล้วเนี่ยเขาตายแล้วฟื้นคืนชีพแล้วและพบกับความจริงที่เขาเคยถามมาก่อนหน้านี้เนี่ยฮักกุลูจริงปะการลงจริงปะนี่ไงเจอละการลงโทษที่เขาเคยสงสัยอันมันจริงเลยเนี่ยจริงละแล้วก็ เปลี่ยนฉากเลยนะจากฉากของโลกนี้ที่เขากำลังถามท่านนบะีว่ามันจริงหรือไม่จริงเปลี่ยนฉากไปหนูย้ายฉากไปนู่นเลยจริงแล้วเกิดขึ้นแล้วนะนี่เขาบอกว่ามันเป็นศิลปะอันสูงส่งของกุตตาในการเล่าเรื่องในการในการให้คนได้ปุ๊บในเรื่องที่เขาสงสัยอะนะไปถึงฉากที่ทำให้เขาเนี่ย ب. เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องสงสัยมันเกิดขึ้นจริงแล้วบางทีนี่แค่คำเดียวนะสรุปสรุปเรื่องเดียวในในประโยคเดียวเช่นต้นสุรษัญญะลนี่บอกว่านี่เป็นส่วนเป็นเป็นรูปแบบหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนฉากทันทีเลยออตอะมรุลอฮฺฟาลาตะสตาจิลต้นสุรอัญญะลมาตียะมันก็ในในมักกะมักอัตอะร กิจการวันเกียรมาตามบัญชาล้อนี่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเฟลเดอสตาจิลูก็จงอย่ารีบเร่งซะหมายถึงว่าคนตอนนี้อยู่ในโลกนี้เนี่ยเขาจะทำไหนอ่าวันเกียรมาเนี่ยไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมาเลยเอเงี้ยนะเปลี่ยนฉากเลยอาตามาแล้วอาตามาแล้วนี่การีอาดีนะอาตาพาสนะมาแล้วเฟลเดอสตาจิลูฉะนั้นไอที่มาเยอะ นบีว่ามันไม่มีเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นสัทีเนี่ยแล้ต่สตาจิลูไม่ต้องรีบเร่งมันมาแล้วแสดงว่าความแน่นอนของเรื่องที่ก็กําลังสงสัยอยู่ฉากที่ผู้ปฏิเสธวันเกียร์มะวันปรอโลกเนี่ยเขาจะพบ ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندمت لما رأوا العذاب و, و, و ق. ق ك ك ่า قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون หาก تكش وتي أتهم قانني كك ثم قيل للذين ظ ل م ي ي ا و, أ و ا มีเสียงกล่าวแก่พวกอธรรมว่าพวกท่านจงลิ้มรดการลงโทษอันตรังแต่เขาไม่เชื่อจริงเหรอเรื่องนี้จริงเหรอ จริงหรือเปล่าเอาฉากนี้มาให้มาให้เชื่อว่าเราอ ل นนัลิกุลเนฟซินธรามทาทุกชีวิตที่อธรรมมาฟิลอรดีได้ครอบครองคลังสมบัติที่อยู่ในแผ่นดินหมายถึงว่าในโลกนี้ถ้าสมมติว่าในโลกหน้าเนี่ยชีวิตชีวิตหนึ่งได้อธรรมคนอื่น ทำตัวเองโดยการตั้งภากีกับพระเจ้าโดยการปฏิเสธพระเจ้าโดยการทำบาปต่างๆแล้วจะมีโอกาสเอาทรัพย์สมบัติอะไรสักอย่างหนึ่งมาไทยตัวเองให้รอดจากการลงโทษและสมมุติว่าสมมุติว่าชีวิตนั้นๆเน่ยเขาสามารถครอบครองทรัพสมบัติที่มีอยู่ในโลกนี้หมดเลยเงยประมาณแผ่นดินรัฐบาลทุกรัฐบาลในโลกนี้ รวมถึงบัญชีเอกชนของประชาชาติทุกคนในโลกนี้ทั้งบัญชีมา้าบัญชีหมาบัญชีหมดเอามาหมดเลยรวมมาหมดเลยอยู่ในการครอบคร อ, องของเราเขาบอกว่าชีวิตเนี่ย left adatbi มันก็จะยอมไทยตนด้วยสิ่งนั้นเอาทรัพย์สินนี้ทั้งหมดเลยและอย่าให้ฉันถูกลงโทษ โดยการที่เขาได้เห็นการลงโทษนี่มันประจักษ์ชั ด, ชดมันไม่ต้องถึงขั้นที่เราต้องเจอกับฉากหรือสถานการณ์แบบนี้แล้วต้องเอาทรัพย์สินในโลกนี้ทั้งหมดถ้ามีเอามาถ่ายตัวไม่ก็ตอนอยู่ในชีวิตในโลกดุนยานี้เนี่ยในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาทรัพย์สินเล็กน้อยเนี่ย มาบริหารให้สอดคล้องกับคําสั่งสอนของพระเจ้าใช้เงินในการกินใช้เงินในการนิกายแต่งงานในการบริหารชีวิตในการทำงานในการเลี้ยงลูกให้มันถูกต้องตามคําสั่งสอนของอิสลามในการช่วยเหลือคนอื่นในการบรรเทาความเดือดร้อนคนอื่นซึ่งทั้งชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ งบประมาณอะไรมากมายของงบประมาณอเมริกาอย่างนี้ไม่ต er. e <Ste ek ambling> ob ้องถึงขนาดนั้นเลยใช้เงินนิดเดียวนิดเดียวนี่จริงๆน่ะตาตามความสามารถกําลังความสามารถของแต่ละคนคนนี่ไม่มีความสามารถที่ช่วยเหลือคนอื่นนอกจากบริจาคอินทรพัครึ่งเม็ดนะอัลลอฮฺสุบฮานาวาตาเราช่วยได้นะ ต้องปกป้องตัวเองจากนรกด้วยครึ่งเม็ดอิมพัลัมชิกไปตั้มเราหมายถึงว่ามีผลนะหมายถึงว่าถ้าเราไม่มีอะไรจะบริจาคนอกจากอิมพัลัมครึ่งเม็ดเนี่ยมีผลนะนะอัลลอฮุซฮะน์วะตาไม่ต้องไปถึงขั้นดิวันเกียร์มาเจอแล้วแล้วถ้าฉันมีงบประมาณของประเทศสหรัฐอเมริกาของเยอรมันของญี่ปุน่นของจีนของอเมริกามาหมดจะได้มาไถ่ตัวเองให้พ้นจาก การลงทุนมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกตอนนี้เนี่ยมีเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยมีเงินอยู่เท่าไหร่มีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่แค่บริหารมันให้มันสอดคล้องกับคําสั่งสอนของพระเจ้านี่มันก็รอดแล้วแต่นั้นม่ไดีหมายรวมว่าการไถ่ตัววันเกียร์มาเนี่มันจะเป็นโอกาสที่เราจะให้พวกเราสามารถเลือกได้เป็นทางรอด สำหรับคนที่อธรรมและเดือดร้อนหมายถึงคนเกียมากนี่คนที่เดือดร้อนเนี่อยากจะไถ่ตัวมันจะเป็นทางเลือกกันนี่ไงแล้วเสียสติไม่นี่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติว่าแล้วอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้เราได้จินตนาการว่าถ้ามันเกิดขึ้นหากหากทุกชีวิตเนี่ยที่อาธรรมเนี่ยครอบครองทรัพย์สินที่อยู่ในโลกนี้และไม่มีโอกาสที่จะไถยตัวนะเขาจะทําแต่มันจะไม่เป็นแบบนั้น มันจะไม่เกิดขึ้นตามที่เขาที่เขาอยากจะได้แบบนั้นตอนนั้นพอทุกคนเนี่ยตอนนั้นก็จะก็จะเสียใจเสียใจว่าตัวเองเคยมีทรัพย์สินนิดเดียวและสามารถทำอะไรที่ให้รอดณนะตอนนี้เนี่ยหมายถึงวันในวันเก่ามัให้รอดแต่ไม่ได้ทำว่าสรุนนาดามะเะแล้วมาเราอหุละแล้วพวกเขาก็จะซน ความเสียใจอสารูอซรูคำนี้น่าสนใจมากนะในคำแปลเขาบอกว่าและพวกเขาก็จะซ่อนความเสียใจอซรู น, แ, น, นและมาแต่แล้วมาราอุลาซาเมื่อได้เห็นการลงโทษซ่อนความเสียใจซ่อนความเสียใจหมายถึงว่าอดทนใช่ไหมคนเราอย่ซ่อนความเสียใจ อดทนไม่ให้คนอื่นเห็นว่าเราเสียใจแสดงความเข้มแข็งใช่ไหมแล้ววันเกียมานี่มันใช่เวลาที่จะมาแสดงความเข้มแข็งเล่าทนหรือโอลมาโอลมาเขาตั้งคำถามเนี่ยอ้าวแล้วก็เขาจะซ่อนทำไมล่ะคำตอบที่หนึ่งเขาซ่อน ความเสียใจน่ะได้มาความเสียใจเนี่ยเพราะถ้าไม่ซ่อนความเสียใจอะนะไอเพื่อนฝูงที่เคยอาธรรมด้วยกันที่เคยทำความชั่วชั่วด้วยกันนะ่ะนะถ้ามันจะแสดงความเสียใจบอกว่าโอ้ฉันไม่น่าเลยไปกินเหล้าฉันไม่น่าเลยไปฆ่าคนไม่น่าเลยไปคุย ดิ้วลับโทรศัพท์กับอุนเซนชัดไปม่เส้ชัดไหมเขาแสดงความเสียใจนี่นะไอ้นี่เนี่ยภูมิธรรมใครจะใครเนี่น่เห็นไหมกูบอกมึงแลว้วซ้าเติมแล้ววันเกียรมาเนี่ยเขาก็เสียใจอยู่แล้วถ้าเผยความเสียใจนะไอ้พวกนี้มันจะซ้ำเติมเขาก็จะยิ่งทรมานอีกอย่างงั้นทําอะไรดีกว่าซ่อนความเสียใจกูจะได้ไม่ไม่โดนรุมโดยเฉพาะ ไอ้เพ one ื <men> keit, ่อนที่เคยนึกว่าเป็นเพื่อนแท้แท่อ่ะอลลอฮ์บอกว่าอัลอคิลาอุยวมาอิดมบาวดฮุมลีบาวหนาดูออิลลัลมุตเตกีดเพื่อนมิตรวันกียร์มาเนล้วนเป็นศัตรูกันไอ้ตอนตอนในโลกนี่นะเป็นเพื่อนมิตรนะแต่วันกียาจะเป็นศัตรูกันศัตรูหมายถึงว่าทำนี้เองเดียว ห็นไม่มึงอะะทําให้กูเข้านรกนี่แหละมึงน่ะตอนก่อ น, นูนะ่ะกูอยู่ในมัสยิดละหมาดนะ่มึงลากลากูเนี่ไปคาราโอเกะใช่มจำได้มนะ่มะก็มีทั้งนัี่ตอนตอนลากไปกินเหล้าเด็กกันนะ่ะะเขาก็สนุกสนานกันนะ่ะนะโอยกูขอบคุณมึงมากเลยนะถ้ามึงไม่ชวนกูในป่านนี้นี่กูก็ละหมาดเกียร์มุดเลยกับพวกนี้นี่เสียไปละเป่ า, ปา ไม่ได้เรื่องเลยนี่เลยปวดหัวเข่าอย่างเดียวแล้วไม่แด่อะไรเลยแต่อย่างน้อยนี่มาดื่มเหล้ามาอะไรนี่สนุกสนานรู้สึกเบิกบานน่ะชื่นชมกันแนตะ่ตอนนั้นเฮ้ยมึงก็คือเพื่อนเพื่อนตายของกูเลยนะโหก็อย่างงั้นนะนะมาเราไนะ่ะในโลกดุนยานี่ชื่นชมกันเหลือเกินแต่คนเกียร์มากยังไงเริ่มตำหนิกันละเริ่มควักไส้กันละ แค่นั้นต้องซ่อนซ่อนอย่าให้อย่าให้ใครรู้เลยว่ากูเสียใจเพราะแต่แสดงความเสียใจนี่เดี๋ยวคนจะมาสะใจกันมาซ้ำเติมกันนี่คำตอบที่หนึ่งคำตอบที่สองคนเราเวลาเจอปัญหาแล้วรู้ว่าความการแสดงความเสียใจเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ ก็จะไม่ทำอะไรที่มันไร้สาระในการแสดงความเสียใจเช่นเจออุบัติเหตุประสบ อ, อุบัติเหตุบางคนนี่ที่ตั้งสติดีๆเนี่ยนะพอนัชนอย่างเงี้ยก็จะออกแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์ใครผิดใครถูกเขาจะเรียกร้องค่าเสียหายได้มีใครมีประกันไม่มีประกันถ้าจะที่สุดเนี่ยต้องไป ป้อมตารวจป้อมตา ร, รวจอยู่ไกลไหมแล้วก็ฉันมีธุระเขาเขาจะเริ่มเริ่มเริ่มเอาดัตตข้อมูลแล้วก็มามาประเมินละแบบมันมันต้องอยังไงแต่อีกคนนึงอะนะเปิดประตูรถดาก่อนนะด่าทุกคนเนะี่ยถ้ามีแมแวไว้นี่ก็ดา่าแมวไปด้วยดาก่อนดา่าด่าทุกคนเห็สะใจก่อนถังถังที่เขารู้ว่าที่ออกมาดานี่นะมันไม่ไปสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนทำอะไรไม่ได้ วันเกี่ยมานี่นะนไม่มีมนุษย์คือไม่มีใครจะมีสติช่วงไหนเนี่ยจะสมบูรณ์จะหนักแน่นมากกว่าที่วันเกี่ยมันได้เห็นความจริงและ ส, สติสตินี่คือกระจ่างแล้วทุกอย่างเนี่ยกระจ่างแล้วมันชัดเจนแล้วไงฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเขาบอกกับตัวเองเอาะถ้าฉันจะแสดงความเสียใจจะรอ้องอกรร้องไห้หรือจ ะ, จะอะไรจะ แสดงอะไรที่มันที่มันทำให้ฉันยิ่งยิ่งมีความทุกข์กันนะมันไม่มีประโยชน์ฉะานั้นไม่ต้องไม่ต้องแสดงความเสียจเพราะมันไม่มีประโยชน์มีคำตอบที่สองคำตอบที่สามอันนี้ด้านภาษาอัสรูนีนะอุลามาดานภาษาหรับขาบอกว่าในภาษาเนี่ยจะมีคำบางคำเนี่ยได้สองความหมาย ความหมายหนึ่งและก็ความหมายตรงข้ามของมันนี่หนึ่งในบรรดาคำศัพท์ที่ได้สองความหมายที่ตรงกันข้ามอสสรุปไปว่าบกปิดไม่เปิดเผยและอสรูมีความหมายความหมายนึงคือเปิดเผยก็หมายถึงว่าเราจะแปลคำนี้ว่าว่าอสสรุ น, นาเดมาทะและพวกเขาก็เปิดเผยความเสียใจของพวกเขาซึ่ง อธิบายด้วยความหมายนี้ว่าวันเกียมาเนี่ยพอเขาได้พบความจริงที่เขาเคยสงสัยและเคยถามท่านนาบีอาฮักคุณอพอเจอแล้วเนอะโ อ, โ อ, โอ้ไม่น่าเลยเขาก็ต้องเปิดเผยความเสียใจว่าทําไมเา้าโง่เขาในโลกจึงไม่สามารถเข้าใจข้อเท็จจริงที่ท่านนาบีมาเทศนาแลาสรุนดามะเตลัมมารักุลอาดามซึ่ง การแสดงความเสียใจในโลกหน้าในวันเกมาเนี่แน่นอนมันไม่มีไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์เลยเชกเช่นการกลับเนื้อกลับตัวในวันเกมามันก็จะไม่มีประโยชน์แต่ที่ว่าถ้าเรานึกในวันเกียมาแสดงความเสียใจแล้วก็ข้าพเจ้ารู้แล้วข้าพเจ้าเชื่อแล้วข้าพเจ้ายอมรับแล้วข้าพเจ้าขอกลับเนื้อกลับตัวนั้นนั้นตอนนั้นในวันเกียรมาต่อต่อหน้าอันนี่นะไม่มีผล จึงเป็นความเสียใจยที่ไม่มีผลเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ให้การเสียใจยความเสียใจยในโลกนี้มีคุณค่าและความหมายอย่างมีนัยยะหนึ่งความเสียใจยมันสแสดงถึงความจริงใจในในข้อมูลที่เราได้รับรู้ ทำไมอะ่ะอา่อาลองดูนะคนที่ไม่ยอมรับว่าเหล้านี่มันบาปแล้วเขาดืนะ่มเหล้าเขาดื่มเหล้าเสร็จแล้วเนี่ยเขาเสียใจเสียใจมเขาไม่ยอมรับว่าเหล้านี่มันบาปเนี่ยถ้าเขาดื่มแล้วเนี่ยเขาจะเสียใจมะไม่เสียใจแต่แถ้วคนยอมรับว่าเหล้านี่มันเป็นบาปใหญ่มันเป็นบาปมหันต์พอเขาดื่มแล้วเนี่ยแล้วถ้าเขาเชื่อจริงเนาะเป็นบาปใหญ่นะเขาต้องเ oh! <Hom icide. S 2> mm สียใจ สแสดงว่ามันมีคุณค่าสําหรับสำหรับผู้ศรัทธาอัลลอฮ์นะการเสียใจในโลกนี้เนี่ยมีมีความมีความหมายมีนัยยะสองความเสียใจเนี่ยมันหนึ่งในเงื่อนไขของการกลับเนื้อกลับตัวถ้าจะกลับเนื้อกลับตัวนี่ต้องเสียใจถ้าจะเตาบัตตั ว, ดตวโดยที่ไม่ได้เสียใจว่าทําอะไรไว้ในอดีตนะนะการเตาบ้านเนี่ย การกับเนื้อกับตัวนี่มันไม่สมบูรณ์ขาดเงื่อนไขท่านนาบีสุลต่านสุลแลมด้บอกว่าอันนัดมอันนัเดมูความเสียใจเต้าบาตุนการเสียใจยนั้นเป็นเต้าบาถึงขั้นที่อุลามาได้บอกว่าเพียงเสียใจยจริงๆนะเสียใจจริงๆถือว่าได้ประสบความสําเร็จในการเต้าบาตัวนี่ เปอร์เซ็นต์สูงสุดอาก็ท่านนายกว่าอันนดมเตาบตุนความเสียใจนี่คือเตาบมันฮนยกว่าอัลัุอฟะฮ์จีก็คือถ้ทำรฟะฮ์นี่คือหลักรูปุลใหญ่ของฮัจีนี่ก็เหมือนอันนั่นดมเตาบาแสดงว่าเสาหลักใหญ่ของการเตาตุคือเสียใจแต่ไอประเภทกลับเนื้อกับตัวโดยที่ไม่ไม่ได้เสียใจนั่นแสดงว่า การเต่าบ้านนีเหมือนไม่ไม่คือคือไม่เสียใจในบาปที่ได้ทำไปนี่นะแม้แต่น้อยก็แสดงว่ายังไม่ยอมรับว่ามันเป็นบาปความเลื่อมใสในหลักการเนี่ยมันเรื่องสำคัญนะเชื่อว่ามันบาปหมายถึงว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์ห้ามเชื่อว่าอัลลจะลงโทษเชื่อจริงๆนะนะทำแล้วนี่ต้องเสียใจดิถ้าไม่เสียใจอะ่ะทำไปแล้วไม่เสียใจแม้แต่นิดเดียว ไม่กังวลแม้แต่นิดเดียวแสดงว่าไม่มีความเลื่อมใสในคําสั่งสอนไม่มีความเชื่อใจในในในข่าวลงโทษที่อัลลอฮฺได้บอกไว้เกี่ยวกับบาปนี้ไ ม, ไม่ไม่เป็นประโยชน์เต้าบัด ต, ตัวไม่เป็นประโยชน์จริงด้วยถ้าไม่เสียใจเนี่ยเต้าบัด ต, ตัวแบบนี้เดี๋ยวก็กลับไปทําอีกเดี๋ยวก็เลิกแล้วก็เดี๋ยวก็ทําอีกแต่ความเสียใจนี่มันแสดงถึง แรงบันดาลใจภายในจิตสํานึกของเราที่จะทําให้เราเนี่ยห่างไกลจากสิ่งพวกเพราะเรารู้ในว่าทํามันจะเสียใจเงี้ยเอเราเตือนคนนี่คนนี่จะกล้าทําสิ่งที่ไม่ควรเเด้อเด้อเองจะเสียใจนะเห็นหพราะเรารู้ว่าความเสียไม่มีใครอยากจะเสียใจหรอกเราก็จะเตือนคนนี่มีสนิตั้งสตินะเดี๋ยวแกเดี๋ยวภายหลังจะเสียใจนะนี่คนปัญญาชนเนี่ยเขาเตือนกันแบบนี้เพราะเขารู้ บอความเสียใจในเนรื่องที่มีใครอยากไม่มีใครอยากเจอคุณค่าของความเสียใจในโลกนี้ในโลกนี้นะมันเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ทำไว้ในอดีตความเสียใจกับความทุกข์ใจคนละอย่างกันสมมติว่าเราได้ทำบาป สมมติว่าเราเราได้ทำในสิ่งที่ศาสนาห้ามทำไปแล้วในอดีตการที่เราได้เสียใจแล้วอันเชิญความเสียใจนี้มาตลอดชีวิตในทุกครั้งที่เราที่เราจ ะ, ะเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่จะกลับไปทำไปทำบาปของในอดีตเนี่ยความเสียใจเนี้ยที่ศาสนาต้องการ ให้เได้มีแฉะนั้นถ้เราเสียใจว่าเคยทําบาปแล้วความเสียใจนี้มันจะช่วยนีให้เราได้ทําบาปนี้ซ้ําอีกนะความเสียใจเนี้เนี้ยเนียที่ศาสนาต้องการให้เราแต่ความกุ้มใจทุกใจที่จะไม่ช่วยให้เราได้เลิกบาปแต่จะซ้ําเติมแล้วก็เพิ่มความทุกข์ให้เราหมดกําลังใจในการทําความดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง อันนี้ในศา ส, สนาไม่ต้องกันซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องนี้แล้วกับปุ่นมีความทุกข์ใจในบาปที่ตัวเองทำจนกระทั่งความทุกข์นี่ทำให้เขานี่นะสิ้นหวังเลยแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงโอ้โหอย่ามาให้ผมละหมาดเลยทำไมอะผมจะละหมาดกี่พันปีเนี่ยมันไม่สามารถล้างบาปที่ผมทำไปแล้วนี่ทุกข์ใจ เนื้อตัวบาดที่ตัวเองทํานี่มันเยอะมันใหญ่มากจนกระทั่งการกับเนื้อกับตัวหรือเมตตาออนไลน์เนี่ยจะไม่สามารถลบล้างได้ความทุกข์แบบเนี้ยเนี่ยเนยศา ส, สนาไม่เอาด้วยไม่ไม่เห็นด้วยไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่ต้งถึงขนาดนั้นฉะนั้นความเสียใจที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ที่ศาสนาส่งเสริมให้เกิดขึ้นเนี่ย ความเสียใจที่มันมีผลลัพธ์ที่มันทำให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราไม่ใช่ในโลกนี้อย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าเสียใจ ท, ทำให้เราเนี่ยได้เลิกบาปได้ได้มีแรงบันดาลใจในการห่างไกลจากความชั่วที่เราเคยทำไม่ใช่แค่นี้นะมันจะมีผลลัพธ์แม้กระทั่งในโลกหน้าความเสียใจในโลกนี้ความเสียใจในโลกนี้การที่เราได้ กลัวว่าจะทําบาปแล้วอัลลอฮ์จะลงโทษจึงเสียใจในโลกนี้จะทําให้อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อ <femme> ่ำนวยว่าในโลกนี้เราจะไม่เสียใจและจะไม่กลัวอ <دة speaking> ินนัลละีนกอรูระบุนอัลลอฮบรรดาผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเรานี่คืออัลลอฮ์องค์พระผูวพี่แหวคืออัลลอฮ์สมัสตะกอโมและเขายืนหยัดยืนหยัดในคํานี้ในคำศรัทธานี้ แ่จะ نزل ม ل เลยเหี้มุลมา ل ลยก็มาเลยกันนี่ส็จลงมาช่วงก่อนตายนี่อัลลอฮ์จะข้าววุยกลัวว่าจะท่านน ي ไม่เสียใจไม่มีไม่เสียใจไม่ตอนนี้ไม่เสียใจแล้วอับดุลจาบิลจันนติละติกุลตุมต و วขวดีสวนสวรรค์นี่ที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้กับพวกพวกเจ้านี่ได้แน่นอนไม่เสียใจชาวาลนี่บอกว่า לא จะมารับในใจของมนุษย์คนหนึ่งมีความกลัวสองครั้งกลัวในโลกนี้และกลัวในโลกหน้าไม่ไม่มีอัลลอฮ์จะไม่ให้เกิดขึ้นถ้ากลัวในโลกนี้จะไม่กลัวในโลกหน้าจะปลอดภัยเช่นเดียวกันอัลลอฮ์จะไม่ให้มีความปลอดภัยสองโลก ถ้ารู้สึกปลอดภัยในโลกนี้โลกน่าไม่ปลอดภัยแต่ถ้าในโลกนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยระวังตัวอย่าทํานู่นเดี๋ยวจะเข้านรกเอ้ยอย่าทํานู่นเดี๋ยวมันติดบาปนะเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยนะแต่วันเกียร ม, มาเนี่ยอัลลอฮฺจะให้รู้สึกปลอดภัยเลือกสิครับนบีบอกว่าเพียงเพียงดวงตาของเราเนี่ย น้ำตานี่ดวงตาเนี่มีน้ำตาหลั่งไหลนี่นะดวงตาของเราเนี่ยจะถูกบันทึกว่าเป็นหนึ่งอวัยวะที่ห้ามไฟนรกมาแต่ต้องนี่แค่ดวงตานะแล้วภาษาอะไรกับร่างกายของเราเนี่ยถ้ามันมีความเสียใจที่อยู่ในทุกส่วนของร่างกายของในหัวใจในในผิวหนังทุกทุกอย่างนี่กลัวกลัวนี่แค่น้ำตานี่มันแสดงกิริยาหลั่งไหลน้ําตานี่นะ ท่านนบีสัลลัลลอฮุซุลเลาะห์สั่งทีบอกไอ้นันีละต่มาเสหุมนนารตาสองชนิดดวงตาสองชนิดที่นรกจะไม่แตะต้องหนึ่งในนั้นนะในสองไอนบักัดมินขัชียติลลาหนึ่งดวงตาที่ร้องไห้ที่น้ำตาหลั่งไหลเพราะเกรงกลัวอัลลอฮ์เกรงกลัวอัลล์ในกูรานี่ลอ์ก็ยกย่อง คนที่แสดงความเสียใจโดยการหลั่งไหลน้ำตาเพราะเยีมเกรียงอัลลอฮฺสุบฮานาอฺในภาคปฏิบัติของท่านนบีสุลต์ลลอฮฺอะลัยอุสเซลลัมและสัฮาบะและชาวซาลับดีเรื่องการร้องไห้มันเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความเสียใจความเยีเกรียงต่ออัลลอฮฺสุบฮานาอฺซึ่งเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องพยายามฝึกฝนมิให้เช่นเช่นที่เราไม่อยากให้หัวใจของเราแข็งกระด้างก็อย่าให้ดวงตาของเราเนี่ยแห้งแรงท่านนาบีได้ขอดุอาบ่อยครั้งอัลลอฮุมะอินนี่อูดุบิกามิงกัลบิลไลอัลช่าอ้อนลาข้าพเจ้าขอความคมครองให้พ้นไม่ได้มีหัวใจ ที่ไม่ยำเกรงต่อพระองค์ว่าไอ้นและแต่จมาขอความคุ้มครองอย่าได้มีดวงตาที่มันไม่ลหลั่งไหลน้ำตาด้วยความยำเกรงต่อพระองค์เราสุภณะวตาราก็ยืนยันกับผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าถึงแมว้ว่าฉากที่อัลลอได้อธิบายไว้นี่ว่าการลงโทษจะเกิดขึ้นจริงและพวกเขาจะเสียใจอย่างแน่นอนนะ แต่ Allah ว่าว่าวะ่ากเดวยคบันะหุ่าิลกเขาตินะหว่างพวกเขาด้วยามูกะว่างพกเด้ยคบัดนะหุมบิลกิสติ้วยควถูกตัดสินระหว่างพวกเขาบิลกิสติอย่างเทีด้วยคามถัดสระหดยยุติธระหว่างพวาด้ามูกดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอธรรด้ยมกัน่างไกดคามันี่้ยานะ เะยํากับใคร่ยัมกับผู้ปฏิเสธศรัทธาแต่เยามาลาตัวดลมูนักสุนชัยอะหลายอยะวันเกี่ยมมาจะไม่มีใครถูกอาธรรมแม้แต่น้อยแม้แต่นิดเดียวยัมกับใครย้ํากับผู้ปฏิเสธศรัทธานะคือคนที่ไม่ยอมรับในวันเกมอย่างสิ้นเชิงะนะอัลล์กำลังบอกว่าวันเกมาเนี่ยพวกเจ้าจะไม่ จะไม่ถูกรทำทําไมอ่ะผมว่า น, นี่คือความเมตตาของพระเจ้านะความเมตตาของอัลลอฮ์นี่ที่พูดกับคนที่ปฏิเสธคําสอนของอัลลอฮ์อัลลอฮ์กำลังบอกว่ามีวันเกียร์มาสนะเขาบอกว่าไม่มีไม่เป็นไรแต่วันเกียรมาสเนะี่ยพวกเจ้าเธอไปแล้ว่นะไม่ต้องกลัวนะไม่ถูกโซลเมนะ ซึ่งมันต่างมันต่างจากคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยมนุษย์เรานี่ยนะเวลาเราถูกปฏิเสธถูกอาธรรมถูกล่วงเกินน่ะนะเช่นมีคนเคยมามาละเมิดเราเนี่ยเอาแค่ด่าเราอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าถิ่นของเราอะนะซอยเขตกเอซอยนี้มึงอย่าเหยียบนะใช่ไหม ทำไมอ่ะแล้วถ้าเขาเหยียบล่ะโอ้ไม่ไม่เหลือสิเขาอาจจะดา่าคำหนึ่งแต่ถ้ามาเหยียบซอยนี่ก็ถืบอ่ะแต่นี่อัลลอฮ์กำลังบอกเขาว่าพวกคุณเนี่ยถึงแม้ว่าปฏิเสธนะแต่ถ้ามาวันเกียรมานี่นะมาอยู่ในศาลของของพระเจ้านะไม่ต้องกลัวนะพวกท่านจะไม่ถูกอาธรรมแม้แต่น้อยมันทำให้คนที่กําลังปฏิเสธนี่นะต้องเริ่มรู้สึก รู้สึกละอายพอสมควรนะละอายพอสมควรนะว่ะแม้กระทั่งพระเจ้าที่เราปฏิเสธเนี่ยก็ยังเมตตาเรานะันเราบอกว่าเ อ, อ่มถึงแม้ว่าปฏิเสธคาสอนของฉัน่แต่แตถ้าวันเกีย ม, มามาเจอกันแล้วนะไม่ต้องกลัวฉันจะไม่รอนิมพวกท่านแล้ววิธีกอ่านในการที่จะให้ผู้ปฏิสัทธาเนี่รู้สึกปลอดภยัย เป็นวิธีดาวะที่สำคัญสำหรับทุกคนที่อยากจะใช้แนวทางของกุอตาในการดาวะคนอื่นเขาต้องรู้สึกว่าตอนถูกดาวะตอนมีตอนถูกแจ้งคำสั่งสอนของอิสลามเนี่ยเขาต้องรู้สึกว่าเขาอยู่ในเซฟโซนไม่มีการข่มขู่เอาแล้วแล้วถ้าฉันไม่รับอิสลามแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องทับ เป็นอวิสิตของท่านอย่างบริบูรณ์เลยการที่นำเสนออิสลามเนี่ยจะต้องนำเสนออิสลามแบบไม่มีบังคับหลักการอยู่แล้วเลยกราฟิดดีนอยู่แล้วท่า น, นอัลมารดุลขตาไม่ได้พิชิตเมืองหนึง่งแล้วก็สัง่งให้ดูแลประชาชนซึ่งที่มันจ่มุสลิมอนะะดูแลอย่างดีะ เรื่องผาเสียกรก็อย่าไปบังคับเข้าจะใครยากจนเนี่ยก็ดูแลเขาให้อาหารเขาเลยปรากฏว่ามีคนหนึ่งที่ไม่ได้รับอิสลามที่ที่ไม่ไดเป็นมุสลิมมานะก็มาหาท่านโอมอุดมขับตอบแล้วก็มาชื่นชมบอกาโอ้โหคำคำสั่งของท่านนี่บัญชาว่าว่าให้ดูแลเราไม่ได้เป็นมุสลิมถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นมุสลิมมาดูแลเนี่อย่างดีเนี่ยข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านคอลิฟ้าอย่างมากเลยนะโอมอุดมขับตอบบอกว่าออถ้า ถ้าเห็นว่าการปกครองของเราดีทําไมไม่รับอิสลามล่ะไอคนนั้นก็ขินเขิ น, นิดนึงแล้วก็ไม่ได้พูดาคลิฟานเนี่ยจะแม่ทัพเนี่ยกาลังพิชิตเมืองพูดจะพูดอะไรเขากออ็ไม่ได้พูดแล้วก็กลับไปเออมอรีมนข้อตอบเนี่ยได้สำนึกถึงอายะที่เราบอกว่าละอิกรอฮฟิดดีนศาสนาเนี่บังคับไม่ได้เพรามันข้อต้องวิ่งไปหาเขาเนี่ยนี่ท่าน ข้าพเจ้าไม่ไดีบังคับท่านในรับอิสลามเลยนะไม่มีไม่ไมีเยท่านตามตา ม, ตา ม, ต, ามตามสะดวกเลยนะข้าพเจ้าไม่มีเจตนาที่จะบังคับข่มขืนความรู้สึกหรือจะกดดันหรือจะอะไรนั่นนี่นี่คือความเลื่อมใสของของซาฮาบะต่อคำสอนน่ะนี่แค่นี้เนะี่ยเ้าคำต้งรู้สึกว่าเหมือนขัดคำสั่งของอัลลอฮ์ที่บอกว่าละอิกะรอฟิดดินทาไมดูเหมือนว่าฮอมบาร์นี่เป็นขอลิฟาใช่ไ แล้วถ้าเอาบุญคุณดีมุสลิมมาทำกับต่างทําไมไม่รับอิสระมันจะเป็นกดดันหรือเปล่าบังคับเขาหรือเปล่าบังคับใจเขาหรือเปล่าแน่นอนพราระดับอัมลอฮฺเขาตอบนี่ไม่ใช่เหมือนคนธรรมดาไงก็ต้องรู้สึกว่าเออต้อ ง, ต, องต้องถูกตรวจสอบมากกว่าถึงบอกแล้วคนจะเข้าใจคุณอ่านดีกว่าซาฮับนี่ ม, ม่มีแล้วไม่มีแล้ว นี่มาดูในยุคปัจจุบันเี่ยโอ้โหอยากจะให้รับอิสลามเลือเกินอยากจะให้รับอิสลามเลือเกินนะบางทีในบนเวทีนี่นะเคยได้ยินมาบ่อยบนเวทีในรายการนี่นะเขาก็มาชื่นชมอิสลามเนี่ยเออมูอาจารย์เขชื่นชมอิสลามเนี่ยอาจารย์ไม่อิสลามนะทำไมอิสลามล่ะกเป็นเลยมั้งมันไม่ชรูปแบบในี่ยคือออกต่อหน้าจอต่อหน้าเวทีแล้วมุสลิมเนี่ยมันกดดันแบบนี้เนี่ย มันอาจจะเป็นการบังคับใจหรือเขาหรือเปล่าอิสลามต้องสมัครใจมาเองเลยให้เขาให้เ้ามาหาอัลลอ์เนี่ยด้วยใจไม่ใช่เก่งใจคนนน้นอัลล์ุบฮานวะตะอาล่ารู้รูนะว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องการเนี่ยความปลอดภยัยรู้นี่ว่าคนส่วนมากในโลกนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ในระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ย ก็คือสุลุมกันอาธรรมกันที่พีน้องดูปัญหาทุกวันน่ะปัญหาในครอบครัวนี่สามีอาธรรมภรรยาภรรยาทำสามีเพื่อนด้วยกันน่ะถ้าเลาะ ก, กันเพราะอะไรเพราะมีอาธรรมกันล่วงเกินกันเพื่อนบ้านน่มะมสุลุ่มกันเพื่อนในที่ทํางานน่ะสุลุมกันเห็นไหมผู้นําประเทศนั่นนั่ไหนเห็นมเราเรากัรากบรัมบาชาติ่เห็นไหมอธรรมกัน เรื่องอามทั้งนั้นน่ะในฐานทษฎีสัีตยุทธาสต์ยังบอกว่ายาอิบอดีโอเบาของข้าทั้งหลายอ็นนีฮารัมตัวุลมาแลนัฟซีข้าได้ถือว่าการสุลุมุมการอาธรรมนั่นนะ่ะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับข้าสำหรับอัลลอฮ์นะแทนทั้งนี้สำหรับอัลลอ์นี่ไม่มีข้อห้ามเลยนะพระเจ้าอ่ะทำอะไรนี่มันไม่ผิดทั้งนั้นนะ่ะแต่อัลลอ์ถือเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามสาหรับพระองค์ ดังนั้นฟลาตซาลมู و, ดังนั้นนี่ขนาดฉันเป็นพระเจ้านี่นะยังถือว่าสุลุมเนี่ยฉันจะไม่ทำานะฉันเป็นพระเจ้าแล้วนะพวกเจ้านี่จะเป็นใครอ่ะเป็นเป็นเป็นมนุษย์นะลาตซาลมูจงอย่าทำกันเลยอัลรู้นี่ว่าสิ่งที่เราเจ็บใจกันที่สุดนี่ในโลกนี่ที่เจอกันมาเยอะนี่นะระเมิดกันและระเมิดกันไม่มีข้อสรุปง่ง ใครที่มีอำนาจมากกว่านี้ก็ต้องกืนน้ำลายอย่างเดียวเห็นกำลังเกลืนน้ำลายอยูน่นี่จนกว่าจะจะคืนตำแหน่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เกืนน้ำลายทำอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมอัลลอฮฺเลยบอกว่าอ ah um ุมลายุลลมุย้ำในกุรานนี่หลายอายะยนี่คนที่เคยถูกสุลุมเนี่ย เคยถูกอธ ร, รมเนี่ยพออ่านอายะแบบนี้เนี่ยหลายรอบหลายครั้งนี่นะคือจะต้องจะต้องนึกถึงกระบวนการศาลของอัลลอฮ์สุบฮายุตานะในอันหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่ามิสก้ละระระขนาดมิสกละระระขนาดมดตัวนึงไงค่ะหรือถ้าแต่แปลเหมือนเหมือนองังท่านบอกว่าละอองทุรีนิดนึงเนี่ยจะไม่รุุมนะ ถ้าเรายืนแบบนี้นี่หลายอาย่านี่นะี่ยแสดงว่าแสดงว่าถ้าเราเชื่อว่าเราได้ทําอะไรดีสักอย่างหนึ่งลระสุภัณาวตจะไม่ให้มันสูญเปล่าฉะนั้นวัลลามานด้บอกว่าเอาล้วคนนี่ไม่ได้ศรัทธาแล้ววันเกียร์มาเนี่จะเข้านารกนี่เอาล้วก็ทายสูเราเขาทาความดีละ่ะไม่สูญเสียไม่สูญหาย ไม่สูญหายทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าช่วยได้หรือช่วยได้แต่อาจจะไม่ถึงขั้นที่ช่วยเขาออกจากนรกเลยอบูตอเลบความ ي, ดี ن ن ที่เขาช่วยท่านนบีเนี้ยทำให้อัลลอฮ์สุภาหน้าหัวดาไม่ได้ช่วยอบูตช่วยในพ้นนบีเนี่ยเสียใจไงที่อบูตอเลบไม่ได้รับอิสลามลุงของท่านนบีไม่ได้รับอิสลามนะอัลล์ก็จะลด หรือบรรเทาการทรมานของอับูลอบุตอลิฟในแฟนอ ร, รุปแสดงว่าไม่มีอะไรที่เราได้ทำว่าจะสูญเสียวันเกียร์มากนี่อัลลอ์ะจะตอบแทนตอบแทนตามที่เราได้ทำอย่างแน่นอนไม่มีใครจะสูญเสียอะไรเลยอันอนี้บทหนึ่งท่านนบดลอสลลัลลอฮุอะลัยซลมเล่าเรื่องผู้ศรัทธาคนหนึง่งอัลลอฮจะเรียกเข้ามาฝ่ยยูดินหี เรียกเขาให้ให้มาอยู่ใกล้อัลลอ์เนี่ยอยู่ดินี่แยะจวางให้เขาเแล้วเราจะให้ความอบอุ่นของพระองค์เนี่ยได้เกิดได้ปรากฏกับเขาวสลูหูและจะถามเขาว่าการูบินสั้งีรกินงามิลาบาบเล็กที่เขาเคยทา ซึ่งคนคนนั้นนะ่ะนะบาปเล็กเนี่ยเขาไม่เาไม่กังวลเท่าไหร่เขาก็งวลบาปใหญ่บาปใหญ่เขาเยอะกว่าแล้วก็เอาเรื่องอะบาปใหญ่ที่เขาทํามันแต่บาปเล็กนี่ไม่เท่าไหร่เขาก็ยังกังวลอยู่เพราะเราถามถึงบาปเล็กบาปเล็กเนี่ยตัวเองทำไหมทา เขาตอบแล้วก็กังวลหวาดเอาแล้วเธออัลลอฮ์เอาบาปใหญ่มาถามนี่ทํารือไม่ทำซวยแน่เลยทำไม่บาปเล็กนี่ทำไหมเบาของอัลลอฮ์บอกว่าข้าพเจ้าทำอัลลอฮ์บอกว่าบาปเล็กเนี่ยที่เองทำไ้นี่นะข้าพเจ้าให้อภยัยแล้วจะเปลี่ยนให้บาปเล็กเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นผลบุญเป็นความดีให้เจ้าแค่นี้เนะี่ยไอหมอคนเนี่ย โอ้ Allah แล้วก็ไอ้บาบใหญ่นี่ยหายไปไหนหมดอะคือเขาเขาเห็นว่าบาปเล็กเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็นผลละบุญแล้วถ้าบาปใหญ่มันถูกเปลี่ยนเป็นผลละบุญเนี่ยมันจะขนาดมันจะขนาดไหนอ่ะเอ็นี่เห็นแต่บาปเล็กนเนี่ย อ, อ้าว Allah แล้วก็บาปใหญ่หายไปไหนเอ ต, อติีตกิเนี่ยไม่อยากจะไม่อยากาได้เอ่ยบาปใหญ่นี่ยกูซวยแน่นอนนะแต่พอเห็นความเมตตาของ a ล l a h เนี่ยที่ไม่สูญเสียนะ ไม่สูญเสียอะไรไม่สูญเสียการที่เขายังเป็นผู้ศรัทธายังมีความสำนึกโอลรมาได้ตีความว่าเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์จะให้เบาคงพระองค์คนหนึ่งเนี่ยเรียกมาให้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลฮ์นี่เขาต้องมีอะไรสักอย่างต้องมีงานสักชิ้นหนึ่งที่ช่วยเป็นตัวช่วยช้าให้เขางานดีๆที่เราทำในบางทีเนี่ย เราไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ตรงไหนทำมาช่วงไหนทำมาเมื่อไหร่บางทีนี่อาจจะอาจจะซื้ออาจจะซื้อกล่องผัดกะเพราข้าวผัดกะเพราไปกล่องหนึ่งแล้วก็ผ่านเห็นคนจนแล้วไม่รู้จะให้อะไรไม่มีตังจะให้นี่ก็ให้ข้าวเขาไปแล้วก็เราคิดว่าเรื่องธรรมดาเรื่องเล็กนิดเดียว วันเก่มาเนี่ไปเราก็ไม่นึกว่าไอ้ความดีนี้เนี่ยมันจะมีคุณค่านะอัลลอฮฺสุบฮฺการ์บปรากฏว่าไอ้ที่เราละมาที่เราไปทำฮะดีที่เราไปทํานู่นทนํานี่นี่นะแล้วเรานึกว่านี่คือผลงานที่เราจะมานําเสนอแล้วก็น่าจะทําให้เราเข้าสวรรค์นนะปรากฏว่ามีแผลหมดเลยละมาดก็มีแผลไปทำฮะดีก็มีแพ้มุงก็มีแพ้บอ ม, มีแพ้แต่มีเรื่องเดียวที่ไม่มีแผลและมีคุณค่าเนะ เหมือนบรรอิสราเอลคนหนึ่งอะโสเพนีที่เอาน้ำมาให้หมาดื่มนี่นะงานแค่นี้นี่นะปรากฏว่านะอัลลอ์เนี่ยอัลลอ์ให้ความสำคัญให้มันมีคุณค่าและนี่คือความหมายเขาอว่าลอายูสละมูนกุดยบิลกิสติอัลลอ์จะตัดสินระหว่างพวกเขาโดยไม่มีใครจะถูกอธรรมแม้แต่น้อย ให้รู้สึกปลอดภัยและนี่เป็นนโยบายของพระเจ้าที่พูดไว้กับมนุษยชาติทั้งหลายคนที่จะพูดแทนอัลลอฮ์เวลาดาว่าอิสลามเวลาดาว่าคนอื่นให้รับรู้อิสลามอยู่นะอย่าตั้งตนอย่าสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าเป็นผู้ ร, รักษาและแตัดสินคนอื่นแต่ว่าคนอื่นคม คมคูคนอื่นพยายามให้คนที่เรากำลังเชิญชวนให้เขารับรู้อิสลามเขาจะอิสลามนี่ให้เขามีเซฟโซนรู้สึกว่าถ้าคุยเรื่องอิสลามเนี่ยเขาปลอดภัยไม่ใช่มาคุยเรื่องอิสลามนกมีนรกแน่ๆเขาจะรู้สึกเขาจะกังวลตลอดเลยวมันมันมันตึงเครียด แม้กระทั่งคนที่ทําบาปใหญ่คนที่ทําบาปมหันเขาต้องมีเซฟโซนเมื่อนาทีที่แล้วที่เล่าฆาตกรร้อยคนน่นนะถ้าผู้รู้คนนั้นน่ะนะไม่ได้สร้างเซฟโซนในเขาเนี่ยว่ามันอย่าพูดเลยนะกรัใครจะห้ามมาให้เจ้าไม่ไม่เตบัดไม่รับเตาบัดตัวจากใครจะห้ามไม่มีใครห้ามเนี่เขาเขารู้สึกปลอดภัยละแค่นี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเริ่มต้นใหม่ได้มันมีความหวังอะ เซฟโซนให้รู้สึกว่าเขาจะไม่ถูกอธรรมเพราะนี่คือพระเจ้าพระเจ้ายืนยันไว้แล้วว่าเขาไม่มีใครจะถูกอธรรมแล้วเราจะมาจะมาทําเป็นตัวแทนของพระเจ้าแต่ไม่มีความเมตตาของพระเจ้าไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีการให้ความหวังดังที่พระเจ้าได้ให้ความหวังกับมนุษยชาติทั้งหลายนี่ไม่ควรแก่คนที่จะเป็นผู้ดาว่าผู้เผยแพร่อิสลาม ตามที่อนุสวรีโนราตองกา ร, รมีคำถามไหมครับโสดในวันที่สี่สิบเอ็ดครับข้ามเดือนรวมกับการโสดใช้ในวันเราได้ไม่ได้ถือโสดเนี่ยก็ต้องถือเฉพาะเลยเพราะมันมต้องเนี่ยเฉพาะมันหมายถึงว่ามันเป็นวาระเฉพาะไม่ไม่ใช่วาระที่ถือสโสดวันไหนก็ได้แต่ทัศนะที่มีอุลลามะสดมากเขาบอกไว้นะครับแต่ก็มีทัศนธที่บอกว่าได้นะมันเหมือนวันออรฟ้านี่แหละมีทัศนธที่บอกว่าได้นะครับ แตวันอัลอร่าฟนี่มีสาบาที่เขาได้ทำแปลไดว่าวันถือวันชดใช้นี่มาถือวันอาลอร่าเพราะวันอัอร่าฟนี่ก็ให้ถือวันอัลอร่าฟโดยที่ไม่ได้กําหนดจะเป็นจะเป็นการถือสิญจอะไรถืออะไรก็ได้ในวันอาลอร่าฟแต่วันอาชุรอเนี่ยมันเป็นวันเจาะจงเนื่องจากว่าก่อนที่จะมีการถือสิ้จน์อดลลอฮฺลมอดอนนะวันอาชุรอเนี่ยเป็นข้อบังคับของการถือสิญจ ก่อนใมุสลิมจะถือเส้นอดเดอร์มดานี่ในปีหนึ่งอ่ะเขาถือเส้นอัลอาชุรานี่เป็นฟัรดูเพราะนั้นมันจะมันจะเป็นวาระเฉพาะพอถูกยกเลิกไม่เป็นฟัรดูมันก็กลายเป็นซุนนะเฉพาะเฉพาะวันเกี่ยวกับเฉพาะวันต้องถามว่าถ้าเาละลที่าอเ่จะตอนั้งตั้งใจบไม่ละลดสุโตั้งใจบถ้ากว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาพยายามอยู่แล้วนี่ไม่ผิดอะไรเลย ตั้งใจตั้งนาฬิกาสั่งให้คนปลูกทต้องพยายามแล้วก็พาดไปหลายวันไม่ไม่มีบาปถ้าเขาพยายามจริงใจกับอัลลอฮฺไม่มีบาปก็แล้เป็นไปได้าบางคนนิ่มทำงานหนักหรืออาจจะสุขภาพไม่เอือ้ออะไรก็เป็นไปได้ไม่ไม่มีบาปแม้กระทั่งคนที่ไม่ตั้งใจคือเขาเป็นคนที่แบบว่ามีนะคนที่หลับนี่หลั บ, ลบคือหลับลึกปลุกปลุกนี่ เคยเห็นไหมดูเอาน้ํามาราดน่นก็ไม่ตื่นเคยเห็นไหมมีไหมนี่สมัยท่านนบีสุลอ่านเลยซึ่งเรามีสาบบ้าคนหนึ่งบอกท่านนบีโอ้เราหนี่ตะกูลเราหนี่นะหลับลึกตื่นยากคือตื่นนี่ต้องตื่นเองอ่ะต้องตื่นเองหมายถึงว่าต้องนอนจนอิ่มเนี่ยจนแล้วก็จะอื่นถ้ามีใครมาปุกแล้วเขายังไม่ไม่ไม่ตื่นไม่ตื่นเลย ถ้าวกับเราเนี่ทั้งตระกูลเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วสุโบนี่ข้ามาเจ้าพยายามที่จะตื่นแต่ไม่ตื่นน่ะนดีก็พอมัท่นพยายามแล้วกันนบีไม่ได้เอาไม่ได้ไม่ได้ตำหนิไม่ได้เอาทุพบเพระแสดงว่านบีรู้ว่าเออเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเหนือววิสัยละไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้ตั้งใจนะแต่ถ้าหากว่าละเลยตั้งใจนอนดึกโดยมีความจําเป็นไม่ได้ตั้งนาฬิกา ไม่ได้บอกให้ใครปลุกไม่พยายามปลุกไม่พยายามตื่นแบบเนี้ยผิดคือถ้าเขาหลับแล้วไม่ได้ตื่นนี่นะไม่ได้ผิดที่เขาไม่ได้ละหมาดเพราะการไม่ละหมาดเพราะนอนนี่นะศาสนาไม่เอาโทษอยู่แล้วนะแต่ผิดที่ไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมตัวครับเสร็จแล้วนะคำามเมื่อกี้จะได้อย่างว่าเหมือนท่านละบาทสุนันครับเราสามารถเหี่สองอย่า อลยครับย่างเ่นจะละม่นะกอนรีเมดิกแล้วก็เราอยากได้อเนักแบบี้อันนี้ได้คือที่สำคัญเนี่ยเราจะได้รู้ว่าทำทาได้ยังไงอ่ะคือการละมา่ที่ท่านไหนกว่าให้ละมัดไปเถอะมันจะเป็นละมา่อะไรก็ได้แต่ให้เป็นการละมั่หลังอาบน้ำละมัด อันนี้นบีไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นละหมาดเฉพาะฉะนั้นจะเป็นสุนนะอย่างอื่นที่มาปนกันนี่นะอันนี้อลาะบางท่านนี่ส่วนมากนี่บอกว่าได้เหมือนจะให้ตุลมะซิดเนี่ยนี่บอกว่าเข้านี่นะจนแย่นั่งจงแย่นั่งจนกว่าจะละหมดาดการละหมาดใตุลมะซิดถ้าเป็นสุนนะล่ะก็ได้ปนกันนะเนียดจะให้ตุลมะซิ ด, ดแล้วก็เนียดเป็นสุนนะก็ได้อาบน้ํา ออสุสุนหน้านี่พอเอาหน้าละหมาดแล้วแล้วก็จะมาละหมาดหลังหลังอย่างนั้นกัเนียดสองอย่างก็ได้ในกรณีที่มันไม่มีสุนหน้านี่นะแน่นอนเราก็ต้องเอาเนี้ยอย่างเช่นพอเข้ามัสซิดนี่มันไม่มีไม่มีสุนนะสุนเราเข้ามัสซิดเนี่ยหลังอัสรีอย่างเงี้ยใช่ไหมจะมีสุนหน้าอะไรไม่มีสุนหน้าก็ต้องได้เห็นมัสซิดอย่างเดียวอาบหน้าละหมาดสุนน้าเออาบหน้าละหมาดช่วงช่วงเนี้ยช่วงหลังอัสรีเราจะละหมาดอะไรล่ะไม่มีสุนหน้าอย่างอื่นแต่สามารถละหมาดได้ไหม ท้งน so ั้นเป็นเวลามากรูนี่สามารถละหมาดได้เพราะมันเป็นข้ดักซาลามุสับบะเป็นการละหมาดที่มีสาเหตุคำถามค่ะนะครับซุลลอฮฺอาลัยนบีนมุฮัมมัดวะอิยูซาร์ริยุสแลลัมุซซลลัมอาลัยคุมุรราะห์มุลลาอิวะบรั